เรื่องเล่าผีหลอนตอนทำไมไม่มาดูใจเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเราอายุประมาณ 9-10 ขวบน่าจะได้ตอนนั้นเราอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อย่านบางนาตัวบ้านเป็นแบบอาคารพาณิชย์สคูหาครอบครัวเราอาศัยอยู่ห้องแรก ห้องที่สองเป็นห้องของป้าที่อยู่ต่างประเทศจึงไม่มีคนอยู่ห้องสุดท้ายป้าอีกคนก็อาศัยอยู่กับลูกชายคนเล็กชื่อพี่หนึ่งซึ่งอายุห่างจากเรามากพอสมควรเพราะป้าเรามีลูกเร็วแม่บอกว่าตอนเราเกิดพี่หนึ่งก็มาช่วยเลี้ยงเราด้วยมีอยู่วันหนึ่ง หลังจากครอบครัวของเรากินอาหารมื้อเย็นเสร็จป้ากิวที่เป็นแม่ของพี่หนึ่งก็พาหญิงสาวหน้าตาดีตัวเล็กๆคนหนึ่งเข้ามาแนะนำให้บ้านเรารู้จักในฐานะว่าที่สะใภ้ของป้าเธอชื่อวินิสัยค่อนข้างเรียบร้อยและชอบเล่นกับเราพี่วิชอบเล่นกับเด็กป้าก็คุยกับพ่อว่าจะไปจัดงานแต่งที่บ้านพี่วิ เลยมาบอกกล่าวกันไว้เพราะไม่มีใครสามารถไปได้เพราะพี่หนึ่งกับพี่วิเลือกจัดงานแต่งในวันธรรมดาจึงไม่ค่อยมีใครไปร่วมงานนักหลังจากแต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็มาอยู่บ้านป้าห้องที่สามช่วงวันธรรมดาเราแทบจะไม่เจอกับพี่ๆเขาเลยจนมาวันหนึ่ง พิวิได้มาลาบอกว่าต้องย้ายไปทำงานที่โรงแรมภาคเหนือเพราะป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงตอนนั้นเราจำได้ว่าพี่เขาขนเสื้อผ้ากลับไม่ไหวเลยเอามาให้เราแทนเราก็ดีใจมากเพราะเสื้อผ้าพิวิสวยๆทั้งนั้นแถมยังใหม่อยู่ด้วยแล้วพิวิ ก็มากอดเราแน่นแล้วบอกว่าพี่ไม่รู้จะได้กลับมาหาหรือเปล่ายังไงก็คิดถึงพี่บ้างนะพี่วิมองเราเศร้าแล้วก็ยิม้มตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าพี่วิหมายความว่าอย่างไรแต่รู้ว่าใจหายมากๆเศร้าไปหลายวันเลยทีเดียวหลังจากวันนั้นพี่หนึ่ง ก็ทำงานหนักขึ้นต้องหางานพิเศษทำเพิ่มขึ้นทำให้ไม่เจอหน้าพี่หนึ่งเลยทั้งที่บ้านอยู่ใกล้กันแค่นี้เองแต่เราก็ไปหาป้าที่บ้านอยู่บ่อยๆไปช่วยทำริบบิ้นติดพวงมาลัยแล้วเราก็ถามหาพิวิเป็นประจําจนป้าบอกเหตุผลว่าพิวต้องไปทำงานที่เหนือเพราะพิว ป่วยเป็นมะเร็งปอดไม่มีใครดูแลเลยย้ายไปอยู่กับแม่ที่นั่นเราก็ไม่ได้ถามอะไรอีกแค่ถามหาบ้างเวลาเจอพี่หนึ่งจนเวลาล่วงเลยเป็นหนึ่งปีคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์เราจำได้ดีเพราะแม่จะอนุญาตให้เราดูละครหลังข่าวได้ในขณะที่ละครกำลังสนุกอยู่ เจ้าเกิลสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็เห่ากระโชกอย่างน่ากลัวแต่เรากับแม่ก็หันไปมองแล้วไม่เห็นใครหมาที่บ้านของเรานั้นดุมากเพราะเคยเป็นหมาเฝ้าสวนมาก่อนเวลาเห็นใครก็จะเห่าและขู่ถ้ามันกัดได้ก็จะกัดเลยมันเห่ากระโชกนานมากจนดูทีวีไม่รู้เรื่อง เราจึงลุกไปดูที่ประตูมองส่องไปก็ไม่เจอใครแล้วก็เดินไปหาสุนัขของเรามันก็ไม่หยุดเห่าด้วยความอยากรู้เราเอาหน้าไปแนบกับหัวของมันแล้วมองไปทางเดียวกับที่มันจ้องและเห่าอยู่ถึงกับใจหายว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่สไบสีเขียวผมกล้าวมวย แต่กระเสกระเซิงมองมาในบ้านด้วยสายตาที่โกรธจัดเรากับผู้หญิงคนนั้นสบตากันประมาณหนึ่งนาทีได้แล้วเธอก็หายวับไปกับตาเราก็ร้องเฮ้ยผีล็อกลั่นบ้านเลยค่ะหมาของเราก็หยุดเห่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นหายไปแม่ก็พาเราไปดู ตรงประตูที่เห็นก็ปรากฏว่าเจอแต่ล่วงกว่างเป็นด่วงกว่างที่มีสามเขาตัวใหญ่มากซึ่งตรงนั้นไม่น่าจะมีได้มีแต่ตึกและที่สำคัญด่วงตัวนี้ก็ตายตรงหน้าเราด้วยเหตุการณ์เป็นแบบนี้ซ้ำๆอยู่สามวันสุนักเห่ากระโชกสลับกับหอนแบบโหยหวนและทุกเชา้า ก็จะเจอซากล่วงกว่างนอนตายอยู่หน้าประตูตลอดแม่เราเห็นท่าไม่ดีเลยไปถามป้าคิวว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงหมาหอนไหมป้าก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันหอนนักเราก็เล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้เมื่อคืนวันศุกร์ป้าเราก็หน้าเสียแต่ก็ไม่พูดอะไรมากหลังจากคุยกันพอหอมปากหอมคอ ต่างก็แยกย้ายเพราะแม่ต้องส่งเรากับพี่ไปโรงเรียนพอเลิกเรียนกลับมาป้ากิวก็วิ่งมาหาเราหน้าตาตื่นมาบอกว่าพิวิเสียแล้วด้วยโรคมะเร็งแต่เรายังงงว่าจะเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงสบายเขียวคนนั้นพอวันเสาร์ต่อมาเราก็ไปช่วยป้าทำริบบิ้นติดพวงมาลัย เราก็เห็นป้าเราหรือของหรือเสื้อผ้ากับพี่หนึ่งอยู่ในบ้านของเหล่านั้นเป็นเสื้อผ้าที่เหลือของพีวิที่ส่วนใหญ่เป็นชุดทำงานเราดันไปเจอชุดสบายสีเขียวที่ร่วงอยู่กับพื้นโดยบังเอิญเราก็หยิบขึ้นมาดูถึงกับสั่นแล้วบอกป้าว่าผู้หญิงคนนั้นใส่สบายสีนี้ลายนี้เลย พี่หนึ่งน้ำตาร่วงเขาเล่าว่าวันศุกร์ที่เราเจอคือวันที่พี่วิเสียพี่ไปดูใจพี่วิไม่ทันเธอคงโกรธเลยมาตามที่บ้านแถมเอารูปตอนที่พี่วิใส่ชุดนี้มาให้ดูคือใช่เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด